เทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเสระเทระพระเสระเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพุทเจ้าเป็นเจ้าของถนนอยู่ในกรุงหงษ์สวดีเรียกประชุมบรรดาญาตของตนแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระพุทธเจา้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมพระองค์เป็นผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกทั้งปวง กษัตริย์ก็ดีชาวนิคมก็ดีพราหมณ์มหาศารก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากนายทหารระดับสูงก็ดีราชบุตรก็ดีพ่อค้าก็ดีพราหมณ์ก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใส มีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากคนทําขนมก็ดีพ่อครัวก็ดีคนจัดแจงเครื่องอาบน้ําก็ดีช่างดอกไม้ก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากช่างย้อมก็ดีช่างหูก็ดีช่างเย็บผ้าก็ดีช่างกระบอกหญิงก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมาก ช่างสอนก็ดีช่างกลึงก็ดีช่างหนังก็ดีช่างถากก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจำนวนมากช่างเหล็กก็ดีช่างทองก็ดีช่างดีบุกก็ดีช่างทองแดงก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้พากันประพฤติธรรมจำนวนมากลูกจ้างก็ดีคนเชิญธงก็ดีธาตุก็ดี กรรมกรก็ดีจํานวนมากไ ด, ได้พากันประพฤต um ิธรรมจํานวนมากตามกำลังของตนของตนคนตักน้ำขายก็ดีคนหาฟืนขายก็ดีชาวนาก็ดีคนขนแยาก็ดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากตามกำลังของตนของตนคนขายดอกไม้ก็ดีคนขายพวงมาลัยก็ดีคนขายใบไม้ก็ดีคนขายผลไม้ก็ดี ได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากตามกําลังของตนของตนหญิงแก่สยามก็ดีนางกุมพระทาสีก็ดีคนขายขนมก็ดีคนขายปลาก็ดีได้พากันประพฤติธรรมจํานวนมากตามกําลังของตนของตนพวกเราทั้งหมดนี้มาประชุมรวมเป็นพวกเดียวกันแล้วจกทําบุญกุศลในพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม ญาติเหล่านั้นฟังคําของข้าพเจ้าแล้วรวมกันเป็นคณะในขณะนั้นกล่าวว่าพวกเราควรได้สร้างโรงฉันที่สร้างอย่างสวยงามถวายแด่ภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้าจึงให้สร้างโรงฉันนั้นสําเร็จแล้วเป็นผู้เบิกบานมีใจยินดีมีญาติทั้งหมดนั้นห้อมล้อมเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ทรงองอาจกวานรชนปราบพระยุคลบาทของพระศาสดาแล้วเรียกปราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมุนีวีระเจ้าบุรุษ ป, ประมาณสามร้อยคนนี้รวมกันเป็นคณะขอมอบถวายโรงฉันที่สร้างอย่างสวยงามแด่พระองค์ขอพระองค์ผู้มีพระจักสุเป็นประธานหมู่ภิกษุโปรดทรงรับเถิด พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ต่อหน้าบุรุษสามร้อยคนว่าบุรุษทั้งสามร้อยคนและผู้เป็นหัวหน้าประพฤติตามเป็นหนึ่งเดียวกันท่านทั้งปวงพากันทาแล้วจกได้สวยสมบัติเมื่อถึงพบสุดท้ายท่านทั้งหลายจากเห็นนิพพานซึ่งมีภาวะเย็นยอดเยี่ยมไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนกเกษมพระสัพพัญยญพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมกว่าสมณนะ ทรงพยากรณ์อย่างนี้แล้วเขาพระเจ้าได้ฟังพระพุทธธรรมรัตแล้วได้เสวยโสมนัสเขาพระเจ้ารื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัปเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาครองเทวสมบัติตลอดห้าร้ชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร์นับชาติไม่ถ่วนในราชสมบัติในมนุษยโลกนี้มีพวกญาติเป็นบริวาร ในพบสุดท้ายที่มาถึงนี้มีพราหมณ์ชื่อวาเศตะเขาพระเจ้าเป็นบุตรของพราหมณ์นั้นสะสมสมบัติไว้แปดสิบโกรเขาพระเจ้ามีนามว่าเสละถึงความสำเร็จในองค์หกมีผู้อกศิษย์ของตนแวดล้อมเดินเที่ยวพักผ่อนอิริยาบถดาวบทชื่อเยนิยะผู้เพียพร้อมด้วยชดาและบริขารจัดแจงเครื่องบูชาเขาพเจ้าได้เห็นท่านแล้วได้กล่าวคานี้ว่า ท่านจกทำอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลหรือว่าท่านเชื้อเชิญพระราชาดาบทชื่อเจนิยะตอบว่าข้าพเจ้าใครจะใช้เครื่องบูชาบูชาพราหมณ์ที่สมมติกันว่าประเสริฐข้าพเจ้าไม่ได้เชื้อเชิญพระราชาไม่มีการบวงสวงอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลของข้าพเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าผู้เปิดความยินดีแก่สักยะทั้งหลาย ประเสริฐที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงทําประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวงนําสุขมาให้แก่สรรพสัตว์วันนี้ข้าพเจ้าทูลนิมนต์พระองค์จึงจัดแจงเครื่องบูชานี้เพื่อพระองค์พระพุทธเจ้ามีพระรัศมีดวงสีมะพร้ามมีพระคุณหาประมาณนี้ได้ไม่มีผู้เปรียบปานไม่มีใครเหมือนด้วยพระรูปข้าพเจ้าทูลนิมนต์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ พระองค์มีรัศมีเรืองรองดุดฐานเพลิงไม้ตะเคียนกระทบปากเบ้าทองคําเปรียบด้วยสายฟ้าทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นดุดไฟบนยอดภูเขาดุดดวงจันทร์ในวันเพ็ญและดุดสีแห่งเปลวไฟไม้อ้อข้าพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีทรงครั่นคล้าม ทรงร่วงพ้นภัยแล้วทรงทำพพให้สิ้นไปเป็นพระมุนีดุจราชสีทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเขาพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในพุทธธรรมไม่มีใครอื่นข่มได้ดรือพญาช้างเชื่อประเศรศสริฐทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเขาพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในฝั่งคือพระสัตธรรม เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดไม่มีใครเหมือนดุจโคอุสภรราชทรงเป็นผู้มีความเพียรมากพระพุเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้นนพพาพระองค์นั้นมีพระคุณที่พรนานาไม่สิ้นสุดมีพระยศนับมิได้มีพระลักษณะทั้งหมดงดงามดุจเท้าสักระเทวราชทรงเป็นผู้มีความเพียรมากพระพเจ้ทาทูล น, นิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีความชนานาญเป็นผู้นำหมู่มีความเพียรมีเดชหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากดูดพระพรมรมเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระธรรมล้ำเลิศน่าบูชาเป็นพระทศพลทรงถึงความสำเร็จพลธรรมเนื้อพลธรรมของคนทั่วไปเปรียบด้วยแผ่นดิน ทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเขาพระเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีศีลและปัญญาแผ่กระจายทรงระเบิดไปด้วยการรู้แจ้งธรรมเปรียบด้วยท้องทะเลทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเขาพระเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาผู้ประทกกระทั่งได้ยากใครๆไม่อาจจะข่มได้ไม่ทรงหวั่นไหวทรงเลิศกว่าพรม เปรียบดังภูเขาในรุราชทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระาญาณไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเทียมเท่าทรงบรรลุถึงความเป็นยอดเปรียบดังท้องฟ้าทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วภาณวาระที่สิบห้าจบพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้กลัวภัยเป็นที่ต้านทานของบรรดาผู้ถึงสรณะเป็นที่เบาใจทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเาพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นที่อาศัยแห่งท่านผู้มีความรู้เป็นเนื้อนาบุญของผู้สแสวงหาความสุขเป็นบ่อกเกิดแห่งรัตนะทรงเป็นผู้มีความเพียรมากเาพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ปลอบโยนให้เบาใจเป็นผู้ทำให้เป็นเทพเป็นผู้ประธานสามัญพผลเปรียบดังเมฆทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เขายกย่องในโลกทรงแกล้วกล้าเป็นผู้บรรเทาความมืดทั้งปวงเปรียบดังดวงอาทิตย์ทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูล น, นิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงสภาวะในอารมณ์และความหลุดพ้นเป็นพระมุนีเปรียบดังดวงจันทร์ทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทู น, นิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วอันบันฑดตยกย่องในโลกทรงประดับด้วยพระลักษณะทั้งหลายใครๆประมาณมิได้ทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทนนิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณหาประมาณไม่ได้ทรงมีศีลที่ไม่มีอะไรเปรียบได้ทรงมีวิมุตที่ไม่มีอะไรเหมือนข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีปัญญาเครื่องทรงจําที่ไม่มีอะไรเหมือนทรงมีพลังซึ่งเป็นอจินไตยไม่ควรคิดทรงมีความบากปั่นอย่างยอดเยี่ยมข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงถอนพิษ เพรคาคะโทสะโมหะได้หมดแล้วทรงเปรียบดังยาทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบรรเทาพยาธิเผิกฤทธิ์และความทุกข์มากดุดดังโอสถเปรียบดังหมอทรงเป็นผู้มีความเพียรมากข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วเจนิยะพราหมณ์ประกาศว่าพุทโธเสียงประกาศนั้นข้าพเจ้าได้ฟังแสนยาก เพราะได้ฟังเสียงประกาศว่าพุโทโธข้าพเจ้าก็เกิดปิติซาบซ่านข้าพเจ้าไม่ได้มีปิติอยู่เฉพาะภายในแต่แผ่ซ่านออกมาภายนอกข้าพเจ้ามีใจอิ่มเอิบได้กล่าวคํานี้ว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจขอนรชนเสด็จประทับอยู่ณที่ไหนหนอข้าพเจ้าจักไปนอบน้อมพระองค์ ผู้ทรงประธานสามัญญพลณที่นั้นขอท่านผู้เกิดสมนัต ซ, ซึ่งประนมมืออยู่โปรดยกมือข้างขวาขึ้นชี้บอกพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ทรงบรรเทาลูกศรคือความเศร้าโศกให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเจนิยพรามกล่าวว่าท่านคงเห็นป่าใหญ่เขียวดุดแดงก้อนมหาเมฆตั้งขึ้นเปรีบด้วยดอกอันชัน ซึ่งปรากฏอยู่ท้องทะเลพระพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกฝนคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนทรงเป็นมุนีทรงแนะนําเวณยสัตย์ให้ตรัสรู้โพธิปักจคียธรรมพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ป่านั้นเขาพระเจ้าเที่ยวค้นหาพระธินเจ้าเปรียบเหมือนคนกระหายน้ําแสวงหาน้ําดื่มเปรียบเหมือนคนหิวข้าวสแสวงหาข้าวกินเปรียบเหมือนแม่โค ร, รักลูกโคเที่ยวค้นหาลูกโค ข้าพเจ้ารู้จักอาจาระและอุปจาระสำรวมระวังเหมาะสมแก่เหตุให้บรรดาศิธิ์ของตนซึ่งจะไปยังสำนักพระชินเจ้าศึกษาว่าพระผู้มีพระภาคทั้งหลายหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากเสด็จเที่ยวไปเพียงพระองค์เดียวดุจแ ด, ดงราชสีมานพทั้งหลายพวกท่านควรเข้าแถวกันมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากดุจอสรพิล้า ดุดพญาเนื้อไกรสอนราชสีดุดช้างกุณชรตกมันที่ได้รับการฝึกแล้วมานบทั้งหลายพวกท่านจงอย่าไ อ, อยาจามเดินเข้าแถวพากันเข้าไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้หนักในการอยู่ในที่เร้นชอบสถานที่เงียบเสียงหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากยากที่จะเข้าเฝ้าทรงเป็นครูในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลก ข้าพเจ้าทูลถามปัญหาข้อใดหรือได้ปราศัยโต้ตอบอยู่ขณะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงนิ่งเฉยอยู่พระองค์ทรงแสดงพระสัจธรรมใดซึ่งเป็นธรรมปลอบโปรงเพื่อบรรลุนิพพานขอท่านทั้งหลายจงพิจา ร, รณาเนื้อความแห่งพระสัจธรรมนั้นเพราะการฟังพระสัทธรรมเป็นเหตุนําสุขมาให้ข้าพเจ้าเรียกเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้สนทนาปราศัยกับพระมุนีให้การสนทนานั้นผ่านไปแล้วจึงตรวจดูพระลักษณะเาพเจ้าสงสัยพระลักษณะสองประการได้เห็นเพียงพระลักษณะ30สประการพระมุนีจึงได้ทรงแสดงพระคุยหฐานซึ่งเร้นอยู่ในฝักให้ปรากฏด้วยฤทธิ์อันหนึ่งพระจินเจ้าได้ทรงแล่พระชิวหาสอดเข้าในช่องพระกันและเข้าในช่องพระนาศิก แล้วปกติดไปถึงสุดพระนาราช ท, ทั้งสิน้นเขาพระเจ้าได้เห็นพระลักษณะของพระองค์ครบท้วนบริบูรณ์พร้อมทั้งพระอนุพยัญชนะจึงแน่ใจได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้บวชพร้อมกับบรรดาศิษย์เขาพระเจ้าพร้อมด้วยบรรดาศิษย์สามร้อคนได้บวชเป็นบรรพชิตยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนพวกเราทั้งหมดก็ได้บรรลุนิพพาน ทิ่ทั้งหลายร่วมกันทำกรรมในนาบุญที่ยอดเยี่ยมท่องเที่ยวไปร่วมกันคลายกิเลสได้ร่วมกันข้าพเจ้าได้ถวายไม้กรอนทั้งหลายจึงได้อยู่ในธรรมเป็นอันมากด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงได้เหตุแปดประการเคือข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เขาบูชาในทิศทั้งหลายหนึ่งมีโภกสมบัตินับไม่ถ้วนหนึ่งเป็นที่พึ่งของคนทั้งปวงหนึ่งไม่มีความสะดุ้งกลัวหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่มีความเจ็บไข้หนึ่งรักษาอายุได้ยืนยาวมีผิวพรรณละเอียดอ่อนหนึ่งอยู่ในที่อยู่ที่ปรารถนาได้หนึ่งเพราะได้ถวายแม้กรอนแปดอันข้าพเจ้าจึงอยู่ในธรรมเป็นอันมากความเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเป็นข้อที่8อีกข้อหนึ่งของข้าพเจ้าข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์มีธรรมเครื่องอยู่ทั้งปวงอยู่จบหมดแล้ว ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอา จ, จะวะมีชื่อว่าอัฏฐโกปานสีเป็นบุตรของพระองค์เพราะได้ถวายเสาห้าต้นข้าพเจ้าจึงได้อยู่ในธรรมเป็นอันมากเดียกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงได้เหตุห้าประการเพื่อข้าพเจ้าเป็นผู้มีเมตตาไม่หวันไหวหนึ่งมีโภ้คสมบัติไม่รู้จักพร่องหนึ่งมีถ้อยคำที่ควรเชื่อเถือได้โดยที่ข้าพเจ้าไม่พูดกล้ำจัดหนึ่ง ข้าพเจ้ามีจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งไม่เป็นเซ้นน้ำต่อใครๆหนึ่งด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ปราศจากมนทินในศาสนาข้าแต่พระมุนีผู้มีความเพียรมากภิกษุสาวกของพระองค์มีความเคารพมีความยำเกรงได้ทำจิตเสร็จแล้วไม่มีอาชวะขอกราบไหว้พระองค์ข้าพเจ้าได้ทาบรลังที่ทาอย่างสวยงามแล้วจัดตั้งไว้ในศาลา ด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นเขาพเจ้าจึงได้เหตุห้าประการเพื่อเกิดในตระกูลสูงหนึ่งมีโภคะมากหนึ่งมีสมบัติทุกอย่างหนึ่งไม่มีความตรณีหนึ่งเมื่อเขาพเจ้าปรารถนาจะไปบัลลังก์ก็ตั้งขึ้นเขาพเจ้าย่อมไปพร้อมกับบัลลังก์อันประเสริฐตามที่เขาพเจ้าปรารถนาหนึ่งเพราะการถวายบัลลังก์นั้นเขาพเจ้ากําจัดความมืดทั้งหมดได้แล้ว ข้าแต่พระมหามุนีพระเทระผู้บรรลุอภิญญาและพระธรรมทั้งปวงขอกราบไหว้พระองค์เขาพระเจ้าทํากิจทั้งปวง ท, งทั้งที่เป็นกิจของผู้อื่นและกิจของตนสําเร็จแล้วด้วยกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วนั้นเขาพระเจ้าจึงได้เข้าไปยังบุรีที่ไม่มีภัยเขาพระเจ้าได้ถวายเครื่องบริโภคในศาลาที่สร้างสําเร็จแล้วด้วยกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วนั้น ข้าพเจ้าจึงได้บรรลุความเป็นผู้ประเสริฐผู้ฝึกเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกผู้ฝึกเหล่านั้นย่อมฝึกช้างและมา้าพวกเขาให้ทําเหตุต่างๆแล้วฝึกอย่างหนักข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์หาทรงฝึกเหล่าชายหญิงเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงฝึกในวิธีฝึกอย่างสูงสุดโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราพระมุนีทรงฉลาดในเทศนา ทรงสรรเสริญคุณแห่งทานและตรัสปัญหาข้อเดียวก็ให้เวเนยศัตร์สามร้อตรัสรู้ได้ข้าพระองค์ทั้งหลายอันพระองค์ผู้เป็นสารถีฝึกแล้วจึงพ้นวิเศษด้วยดีไม่มีอาชวะบรรลุอภิญยาและพระธรรมทั้งปวงดับแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไวในครั้งนั้น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 ด้วยระกาฬชนิเซลเทราประทานที่สองจบสาสาภกิติกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระสาภกิติกะเทระพระัสาภกิติกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองดุจ ด, ดอกกัิกาทรงชดช่วงดุจต้นพฤษาประทีพทรงรุ่งโรดดุจ ด, ดาวประกายพระดุจสายฟ้าในท้องฟ้าไม่ครั่นคล้ามไม่สะดุ้งกลัวดุจพญาเนื้อทรงประกาศแสงสว่างคือยานทรงย่ำยีหมู่เดรธีทรงช่วยโลกนี้ ตรัดความสงสัยทั้งปวงได้ไม่คลั้นครามดุดพยาราชสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเขาพเจ้าได้เห็นแล้วเขาพระเจ้าทรงชดาและหนังสัตว์เป็นใหญ่ซื่อตรงมีความเพียรถือเอาผ้าเปลือกปอไปปูลาดที่แท้พระบาทเขาพเจ้านำกระลำพักมาฉลโอมทาพระตถาคตครั้นชลโลมทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่า ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ทรงข้ามโอคะกิเลดได้แล้วทรงช่วยเหลือสัตว์โลกนี้ทรงโชดช่วงด้วยแสงสว่างแห่งพระญาณพระญาณของพระองค์ประเสริฐสุดพระองค์ทรงประกาศธรรมจักย่มยีเดิรถีอื่นเป็นผู้องค์อาจชนะสงครามแล้วทำแผ่นดินให้หวันไว้ทิฐิทั้งปวงย่อมแตกทำลายไปเพราะพระญาณของพระองค์ดุจคลื่นในมหาสมุทร ย่อมแตกกระจายไปเพราะริมฝั่งแหลตาเล็กๆที่เขาเหวี่ยงลงไปในสระแล้วสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ภายในแหลย่อมถูกบีบคั้นในขณะนั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกพวกดีรถีในโลกเป็นผู้หลงงมงงายไม่อิงอาศัยจัจจะย่อมเป็นไปภายในพระญาณอันประเสริฐของพระองค์ฉันนั้นพระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของผู้ที่ถูกพัดพาไปในห้วงน้า เป็นที่พึ่งของผู้ไม่มีญาติเป็นสราระของผู้ที่มีภัยเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ต้องการความหลุดพ้นสเสด็จเที่ยวไปผู้เดียวไม่มีใครเหมือนทรงประกอบด้วยพระเมตตากรุณาทรงมีปัญญาประกอบด้วยจาคะชำนาญคงที่เป็นที่อยู่แห่งคุณเป็นนักปราชญ์ปราศจากความหลงไม่ทรงวันไหวไม่มีความสงสัยเป็นผู้พอพระทย ทรงคลายโทสะแล้วไม่มีมนทินทรงสำรวมมีความบริสุทธิ์ล่วงทำเครื่องข้องปราศจากความเมาได้วิชาสามถึงที่สุดพบทรงล่วงเขตแดนเป็นผู้หนักในธรรมถึงจุดมุ่งหมายแล้วทรงหวานประโยชน์เกือ้อกูลทรงช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นเปรียบเหมือนเรือพาคนข้ามฟากทรงมีขุมทรัพย์ทรงทำความเบาใจ ไม่สงครั่งคร้ามเหมือนราชสีทรงฝึกแล้วเหมือนพญาโคจฉานที่ฝึกแล้วครั้งนั้นครั้งข้าพเจ้าสันเสริญพระมหามุนีพระนามว่าปทุมมุตระเลือกคถาสืบคถาปราบพระบาทของพระาศาสดาแล้วได้ยืนนิ่งอยู่พระาศาสดาพระนามว่าปทุมมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางหมู่ภิกษุ ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่สนเสริญศีลปัญญาและธรรมของเราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจากเรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหกหมื่นกัปจากครองอิสริยยศปกครองเทวดาเหล่าอื่นภายหลังเขาบวชแล้วถูกกุศลมมลตักเตือนจากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคดมครั้นบวชแล้ว เว้นบาปกรรมทางกายกาหนดรู้อาสะวะทางปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสะวะแล้วนิพพานเม่ค้ำรนกระหึมทำแผ่นดินนี้ให้ชุ่มฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ชุ่มชื่นด้วยธรรมฉันนั้นครั้นข้าพเจ้าชมเชยศีลปัญญาธรรมและพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้ว ได้บรรลุนิพพานซึ่งเป็นธรรมสงบอย่างยิ่งเป็นบทไม่จุติโอ๋หนอพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักรุพระองค์นั้นพึงดำรงอยู่นานแน่ข้าพเจ้าก็พึงรู้แจ้งธรรมที่ยังไม่รู้แจ้งพึงเห็นอมตะบทชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าพบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้ากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ เงีกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเาพเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าวไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญกิเลสทั้งหลายเาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเาพเจ้าก็ถอนได้แล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกการทึกเาพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้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 ได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนีสสาภกิติกะเทราประทานที่สามจบ 4. มทุทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระมัทุทายกะเทระพระมทุทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สร้างอาสมอย่างสวยงามไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำสินทุ สอนตำราประวัติศาสตร์พร้อมทั้งตำราทายลักษณะแก่ผู้ศิษย์ที่อาสมนั้นศิษย์เหล่านั้นผู้ที่ข้าพเจ้าแนะนำแล้วเป็นผู้ใคร่รมใคร่ฟังคำสั่งสอนดีถึงความสำเร็จในองค์หประการอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสินทุเป็นผู้ฉลาดในเหตุที่มาแห่งอุปาทะความเกิดและในลักษณะทั้งหลายสแสวงหาประโยชน์สูงสุดอยู่ในป่าใหญ่ในครั้งนั้นครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษเมื่อจะทรงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้าจึงเสด็จเข้ามาข้าพเจ้าได้เห็นพระมหาวีระเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จเข้ามาจึงได้ลาดญ่าถวายแด่พระองค์ผู้เจริญที่สุดในโลก พระพเจ้าเถือน้ำพึ่งจากป่าใหญ่มาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยแล้วได้ตรัสพระต ด, ดำรัดนี้ว่าเราจักพยากรณ์ผู้ที่มีความลื่อมใสซึ่งได้ถวายน้ําพึ่งแก่เราด้วยมือทั้งสองของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดด้วยการถวายน้ําพึ่งและด้วยการลาดญ้าถวายนี้ผู้นั้นจะกเลืนรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป ในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอก า, กากราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจกเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเมื่อเข้าเจ้าจากเทวโลกมาในมนุษย์โลกนี้ ปฏิสนธิในคันมารดาฝนน้ำพึ่งได้ตกปกปิดแผ่นดินด้วยน้ำพึ่งแม้ในขณะเมื่อข้าพเจ้าออกจากคันอย่างปลอดภัยนั้นฝนน้ำพึ่งก็ตกเพื่อข้าพเจ้าตลอดการเป็นนิษเมื่อข้าพเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วย่อมได้ข้าวและน้ำนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำพึ่งข้าพเจ้าเกิดในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งปวง ได้บรรลุความสิ้นอาสวะเพราะการถวายน้ำผึ้งนั้นแหละเมื่อฝนตกแล้วย่างอกยาวสี่นิ้วเมื่อต้นไม้ในที่เพาะปลูกมีดอกบานสะพรั่งข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่เป็นสุกหนึ่งนิดที่เรือนว่างที่มณดกและโคนต้นไม้พบที่ข้าพเจ้าก้าวล่วงมีในถ้ำกลางในวันนี้อาสวะทั้งหลายของข้าพเจ้าสิ้นไปแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปเขาพรเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำผึ้งจิเลทั้งหลายเขาพเจ้าพ่เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพปเจ้าก็ถ t นได้แล้วอายสะวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก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 ได้ทราบว่าท่านพระมทุทายกะเทระได้พาศึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิมทุทายกะเทระประทานที่สี่จบหปรปทุมะกูตาคาริกะเทระประทานประวัติในดิจชาของพระประทุมะกูตาคาริกะเทระพระประทุมะกูตาคาริกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิทชาติของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปิยะทศีผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เองทรงประสงค์วิเวกฉลาดในสมาธิเป็นมุนีพระมหามุนีพระนามว่าปิยะทศีผู้เป็นบุรุษผู้สูงสุดเสด็จเข้าไปยังไพรสนทรงลาดผ้าบางสกุลแล้วประทับนั่งอยู่เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบ เที่ยวแสวงหาเนื้อฟานอยู่ในครั้งนั้นณที่นั้นเขาพระเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคคิเลตได้แล้วไม่มีอาสวะเด่นอยู่ดุจต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งและดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทยัยครั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศน ส, สีผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพมีพระยศยิ่งใหญ่แล้วจึงลงไปยังชาติสะนําดอกประทุมมาในขณะนั้น ครั้นนำดอกปทุมร้อยกลีบซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจมาแล้วจึงสร้างเรือนยอดปราสาทและมุงด้วยดอกปทุมพระพุทธชินเจ้าพระนามว่าปิยทัศศีผู้มหามุนีผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาประทับอยู่ในเรือนยอดตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนข้าพเจ้านำดอกปทุมที่เก่าๆทิ้งแล้วมงด้วยดอกปทุมใหม่ได้ยืนประคองอัญชลีในขณะนั้น พระมหามุนีพระนามว่าปิยทัศสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จออกจากสมาธิแล้วประทับนั่งเหลียวดูทิศอยู่ครั้งนั้นพระเทระผู้อุปถากนามว่าสุทัศนะมีฤธิ์มากรู้พระดำริของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยะทัศสีผู้ศาสดามีภิกษุแปดหมื่นรูปแวดล้อมแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ซึ่งประทับนั่งเป็นสุขอยู่ที่ชายป่าและครั้งนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในไพรสนทราบพระพุทธดำริแล้วพากันมาประชุมทั้งหมดเมื่อพวกยักษ์คุมมพันพร้อมทั้งผีเสื้อน้ํามาพร้อมกันและเมื่อพิสุสง์มาถึงพร้อมแล้วพระชินเจ้าได้ตรัสพระคถาว่าเราจับพยากรผู้ที่บูชาเราตลอดเจ็ดวันและได้สร้างอาวาตถวายเรา ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเราจักพยากรณ์สิ่งที่เห็นได้ยากนักละเอียดนักลึกซึ้งให้ปรากฏชัดด้วยยานท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจักได้ครองเทวสมบัติตลอดสิบสี่กลับเรือนยอดของผู้นั้นใหญ่มงด้วยดอกประทุมเทวดาทั้งหลายทรงไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมเขาจักเวียนไห้าตายเกิด จับสนใน114กลับในกลับที่114นั้นวิมานดอกไม้จักทรงอยู่ในอากาศน้ำไม่ติดอยู่บนใบโบฉันใดกิเลสทั้งหลายก็ไม่ติดอยู่ในยางของผู้นี้ฉันนั้นผู้นี้จะปลดเรื่องนิวรห้าออกจากใจได้ให้ความคิดเกิดในเนคขมะแล้วจกออกจากเรือนบวชในครั้งนั้น วิมานดอกไม้ที่ยังทรงอยู่ก็จะกกอกไปด้วยเมื่อผู้นั้นมีปัญญารักษาตนมีสติอยู่ที่โคนต้นไม้วิมานดอกไม้จกทรงอยู่เหนือศีรษะของผู้นั้นที่โคนต้นไม้นั้นผู้นั้นถวายทีวรบิณทบาทคิลานปัจใจที่นอนและที่นั่งแปรภิษุสงแล้วจกเป็นผู้ไม่มีอาสะวะแล้วนิพพานเมื่อเรือนยอดลอยไปเข้าไเแจวออกบวชแล้ว ทรงเรือนยอดไว้เฉพาะข้าพเจ้าแม้อยู่ที่โคนต้นไม้ข้าพเจ้าไม่มีความตั้งใจแสวงหาจีวรและบินทบาทข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญกรรมจึงได้จีวรและบินทบาทที่สําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกผ่านพ้นข้าพเจ้าไปเปล่าๆตั้งหลายพระองค์ตลอดโกศกลับจํานวนมากโดยนับประมาณมิได้เล่มับที่หนึ่งร้สิบแปนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยะทัตสีผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษจึงมาเกิดเตงกําเนิดนี้ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าอโนมะผู้มีพระจักรสุครั้งเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็ได้บวชเป็นบรรพฑิตพระพุทธชินเจ้าผู้ทรงธทมที่สุดถูกได้ทรงแสดงพระสัทธธรรมข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์แล้ว ได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวเขาพระเจ้าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโครมสักยะผู้ประเรสริฐทรงพอพระทยัยกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะเนกัปที่หนึ่งร้นับจากกัปนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า กิเลสทั้งหลายเข้าไเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วอสุวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ ม, มีอีกการทุกขเข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าไปเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิจัมพิทาสี่ วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเขาได้ทาสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปทุมะกูตาคาริกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนีิปทุมะกูตาคาริกะเทราประทานที่ห้าจบหพระกุลเทราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระภักุลเทระพระภกุลเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาห์ของตนจึงกล่าวว่าในที่นี่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโสพิตะพวกศิษย์ของข้าพเจ้าเชื่อการสร้างอาสมอย่างสวยงามให้ข้าพเจ้าที่ใกล้อาสมนั้นมีมนดลจํานวนมากต้นย่านทายมีดอกบานสะพรั่งต้นมะขิด ต, ต้นจำปา ต้นกากะถิงต้นเกศมีจํานวนมากมีต้นคนทีสอต้นพุทราและต้นมะขามป้อมต้นมะปรางน้ำเต้าและบัวขาวมีดอกบานสะพร่างจํานวนมากมีต้นรักขาวต้นมะตูมต้นกล้วยและต้นมะงูว่วมะนาวต้นกระทอนต้นรกฟ้าขาวและต้นประยงมีอยู่มากมีต้นคำต้นช้างน้าวต้นกระทุ่ม ต้นไทรและต้นมะขิดอาสมของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยศิษย์อยู่ที่อาสมนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอนมุมัตสีผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงสแสวงหาที่เร้นเสด็จเข้ามาใกล้อาสมของข้าพเจ้าเมื่อพระมหาวีรเจ้าพระนามว่าอนมุมัตสีผู้มีประย์ยิ่งให ญ, ใหญ่เสด็จเข้ามาใกล้แล้ว โรคลมก็เกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกโดยฉับพลันเขาพเจ้าเที่ยวไปในป่าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระจักสุมีพระยศยิ่งใหญ่จึงได้เข้าเฝ้าครั้นได้เห็นพระอริยาบทก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรแน่นอนเขาพเจ้าจึงรีบกลับมายังอาสมในสำนักของสิทธิ์ทั้งหลายของเขาพเจ้า ขณะนั้นข้าพเจ้าปรึกษาสิทธิ์ว่าเราต้องการปรุงยาสิทธิ์ทั้งหลายผู้มีความเคารพเชื่อฟังข้าพเจ้าแล้วร่วมประชุมกันเพราะเคารพข้าพเจ้าผู้เป็นครูข้าพเจ้ารีบขึ้นภูเขาไปเก็บยาทุกสิ่งมาปรุงได้ปรุงให้เป็นยาสำหรับดื่มถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเมื่อพระมหาวีระเจ้าผู้สัพพันยูผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสวยแล้วโรคลมของพระสุคต ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็สงบลงฉับพลันพระพรพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัติ ส, สีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทรงเห็นคข้าพเจ้ามีความโกรนกระวายสงบแล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่ได้ถวายยาแก่เราและระงับอาพาธของเราได้ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นี้จะรื่นรมในเทวโลกตลอดหนึ่งแสนกัปจากบันเทิงในเทวโลกนั้นซึ่งมีดนตรีประคมอยู่ทุกเมื่ออันกูสลมูลตักเตือนมาเกิดยังมนุษยสีโลกแล้วจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันชาติในบกัปที่ห้าสิบห้านับจากกัปนี้ไปจากได้เป็นประัตรพระนามว่าอโนมิทรงมีชัยชนะมีสมุดทั้งสี่เป็นขอบเขตเป็นใหญ่ในชมพูทวีป จากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิ ส, สมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเลือกระชอนไปจนถึงพบดาวเดึงครองความเป็นใหญ่เขาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์กระตามจากเป็นผู้มีอาพาธน้อยจากเว้นความเร่าร้อนแล้วผ่านพ้นความเจ็บไข้ได้ในโลกเนื้อกลับที่นับมิได้นับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคด ทรงสมภพในราชสกุลโอกากาคา ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกเขาจักเป็นธรรมทายาของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกาหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเผากิเลสทั้งหลายแล้วข้ามพ้นกระแสตัณหาได้จากมีนามว่าพักกุละเป็นสาวกของพระศาสดาพระโคดมศักยญผู้ประเสริฐ ทรงทราบความนี้ทั้งหมดแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุจากทรงตั้งเขาไว้ในเอตทัทคคะพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัทถสีผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงตรวจดูอาสมของข้าพเจ้าว่าเป็นที่วิเวกจึงเสด็จเข้าไปข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสให้พระมหาวีระเจ้าผู้สักพันยูทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก เด็ดมาถึงอิ่มเอิบด้วยโอสดทุกอย่างด้วยมือของตนข้าพเจ้านั้นได้ทํากรรมไว้ดีแล้วเพราะความถึงพร้อมด้วยพืชในเขตที่ดีข้าพเจ้าจึงไม่อาจจะให้กรรมที่ข้าพเจ้าทําแล้วสิ้นไปได้เลยในการนั้นการที่ข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นํานั้นเป็นลาบที่ข้าพเจ้าได้ดีแล้วด้วยกรรมที่เหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าจึงได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหว พระโโดมจักรยะผู้ประเสริฐทรงทราบความนั้นทั้งหมดแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกสุแล้วทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะเนี่กลับที่นับนี้ได้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายยากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว